ทุหลายวันนี้เป็นวันที่สองในการเจริญกรรมฐานวันนี้พูดถึงอารมณ์ของประโสดาบันแต่ว่าวันนี้อาจจะพูดเลยคนนั้นเป็นนิดหนึ่งจะขอยํำตอนต้นไว้ซะก่อนก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดขอให้ทุกคนคำนึงถึงศีลให้มากเพราะว่าสมาธิจะมีได้เพราะใสยศีลบ่อยสุด ถ้าสินริสุทธ์จิตมีความเยือเกเย็นสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิกเกิดจิตมีอารมณ์เป็นสุขปัญญาก็เกิดทั้งสามอย่างนี้ตรงเนื่องพิงกันจะถือว่าจะทําเฉพาะสมถะภาวนาไม่ทํำมิปัจนาภาวนาหรือทํำมิปัจนาภาวนาคือตัวปัญญาไม่ทําสมถะอย่างนี้ไม่ได้ ต้องทําทั้งสามอย่างคือต้องมีศีลด้วยต้องมีสมาธิด้วยต้องมีปัญญาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าปัญญาจงใช้ตั้งแต่เบื้องตน้นคือคนที่จะเจริญกรรมาฐานทั้งหมดเป็นคนที่มีปัญญาทั้งหมดถ้าบุคคลใดเขาไร้ปัญญ า, าก็ก็ไม่จริญสมาธิไม่จริญภาวนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ผลของการเจริญภาวนา นี่คนที่จะเข้ามาเจริญภาวนาก็ต้องเป็นคนที่มีปัญญาแล้วมีความรู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและอย่างน้อยก็มีความรู้สึกว่าความตายของเราไม่ถึงที่สุดคือไม่ไม่ศูนจะมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจิตเต็มไปด้วยอกุศลแล้วก็ไปอบายภูมิมินโรกเป็นต้นถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้น อารมณ์ที่คิดอย่างนี้เป็นรงของบุคคลที่มีปัญญาคืออรมความว่าก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้ในคําหนึงถึงศีลก่อนเมื่อคําหนึงเสือสินแล้วตอนที่ทำสมาธิตอนนี้ของมันดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมชื่อของนิวรนคำว่านิวรนสมเด็จพระหาสมาเจ้ากรมพยาวชิริญานโรโรสแปลว่าคุณชาติกั้นความดี แต่ได้ว่าในพระใจวิดกท่านแปลว่าอิเลหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่านิวรณ์ครอบงาจิตเวลานั้นเราก็เป็นคนไร้ปัญญาถ้าเป็นคนไร้ปัญญาสิงก็ไม่ส่งตัวสมาธิกันนี้ความสำคัญของความมีสมาธิขณะใดถ้านิวรณ์ว่างจากจิตขณะนั้นจิตเป็นสมาธิ สมาธิขั้นต้นนิวร์ว่างจากจิตเวลานั้นเป็นปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งเมื่อนิวรณนมีห้าอย่างคือหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจคือความโกรธสามความง่วงสี่จิตลมฟุง้งซ่านคิดมาก 5. ้สงสัยในผลของการปฏิบัต ทั้งห้าอย่างนี้เป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญญาให้ถอยหลังแต่ว่าปกติกิเลสหยาบทั้งห้าอย่างนี้มันครอบงำจิตเราเป็นปกติก็เป็นธรรมดาของคนที่ยังไม่ได้ความเป็นพระอราหันต์ก็ต้องมีอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนแต่ว่าก่อนเจริญกรรมฐานนิวรณ์ก็ครอบงำจิตเลิกแล้วนิวรณ์ครอบงำจิตนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราจะไม่ใช่พระอราหารันต์ แต่ก็ว่าขอให้เว้นเฉพาะเวลาที่เจริญภาวนาขณะที่เจริญภาวนาก็ดีพื่อที่เจริญนัยก็ตามอย่างนี้พยายามเว้นนิวรณ์ไว้ให้เกิดแต่ทั้งทงที่เราคิดว่าจะเว้นมันก็จะพยายามเกิดอันนี้เป็นขอโปลตีอีกถ้าบังเอิญมันเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อเรามีความรู้สึกกระนับต่อวิธีระงับรือว่าเข้าไปรู้ลมให้ใหญ่เข้าออก หายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกอย่างนี้นิวรอนนะครับขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นนิวรอนไม่กวนใจ <c oughs> <c oughs> หรือว่ารู้คำภาวนาเวลานั้นนิวรอนไม่กวนใจนี่เบื้องต้นนะแต่การเผลอบ้างลืมไปบ้างนิวรอนกวนใจบ้างนงับได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นของธรรมดาเพราเวลานี้นจอพระ่มมาฝึกในเมื่อกําลังฝึกอยู่อย่างนี้ก็เป็นของธรรมดาตามนั้น ตนนี es que ้มาตอนต้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอันดับแรกขอให้ทุกคนกําหนดรู้ลมหายใจเขาออกคําว่ากําหนดพุทธบริษัทเดี๋ยวเขียนกันไว้ในเรื่องการเจริญพกรรมฐานถ้าจริงๆพูดฟังง่ายคือเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกเขาจิตเข้าไปรับทราบหายใจเข้าจิตก็รับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหายใจออกจิตก็รับทราบว่าเวลาที่หายใจออก ถ้าใจดีกวในให้สงนิดถ้าจิตละเอียดคิดมาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ถ้าขระนาดใดจิตรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอย่างนี้จิตไปสมาธิเพราะคำว่าสมาธิคือจิตเข้าไปตั้งมั่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของอารมณ์ต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบการเจริญกรรมาฐานก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีคำภาวนา แต่คำนาคำภาวนานี่ยถือว่าไม่สาคัญไม่ได้เพราะว่าคำภาวนามีประจำกองกรรมฐานมีส0บ0ีบส่สิบกองแต่คำนาภาวน า, าไม่ใช่มีสี่สิบคำน า, าคำภาวนามีหลายร้อยอย่างสุดแล้วแต่อาจาร้ฝึกจะเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งให้คณะสิทธิฝึกได้เห็นว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้หรือกลุ่มนั้น ควรจะภาวนาว่าอย่างไงคุณจะปฏิบัติกรรมฐ า, านกองไหนก็ทําตามอธิยาสายัยตามที่ชอบตามที่ควรถ้าผิดไปก็จะถือว่าเป็นการได้ยากอาจจะไม่ได้เลยฉัง <c oughs> นั้นคำภาวนาจะถือว่ามีความเชื่อมกันขณะใดที่รู้คำภาวนาขนาะนั้นจิตก็มีสมาธิและขณะที่รู้เราไม่ใจเข้าออกกรดีภาวนาก็ตาม ขอทุกคนอย่าใช้อารมณ์ให้เครียดปล่อยใจต า, จาสมสะบัดบายเพื่อกรรมาฐานต้องการทําให้จิตเป็นสุขไม่ใช่จิตเป็นทุกข์ถ้าเร่งรัดหรือเครียดเกินไปนี่อารมณ์ทุกข์ก็เกิดขึ้นสมาธิไม่เกิดผลไม่เกิดถ้าย่อหย่อนเกินไปเวลาภาวนาก็ตามพิจารณาก็ตามอยากได้น่นอยากเป็นนี่ในเวลานั้นอย่างนี้ย่อหย่อนเกินไปไม่มีผลอีก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายยอละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะคือมรรคานิโยคคือทรมานกายสองการมาสุขานิยการิโยคคือการย่อหย่อนคืนไปถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมีในเธอเวลาปฏิบัติเธอจะไม่ได้มักไม่ได้ผลขอให้ทุกคนปฏิบัติในมันชฌิมาปฏิปทาคืออารมณ์กลางกลางอารมณ์กลางๆ ก, ก็คืออารมณ์แค่เป็นสุขพอสบายสบาย เรียกว่าทำเบาๆนะอย่างนี้เป็นองค์ขั้นแรกท่านนี้ก็มาคุยกันต่อไปแ้่คืนคุยเรื่องแนวปฏิบัติจริงๆไปเดี๋ยวหลับหมดนี่เริ่มหลับตั้งแตก็มีเนถ้าหลับตานะก็เอาเนีเบื้องต้นก็ต้องคุยกันวันนี้เมื่อคืนนี้เราคุยเรื่องปัโซดาบันบุ <c oughs> คคลที่เป็นปัโซดาบันก็ดูตัวอย่างท่านเปสการี แต่มาเรียกว่าท่านเปรสการีสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านตายเมยื่ออายุ19ปีก็จงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มอีอายุน้อย <c oughs> ถ้านับข้นมาเวลานี้ก็ 2,500 ปีเศษท่านเปรสการีที่ตายจากความเป็นคนอาศัยฐานะที่เป็นระโสดาบันก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดุสิตเวลานี้ยังอยู่ที่นั่น เวลานี้ยังอยู่ชั้นดุสิตเพราะว่าที่พูดว่าเวลานี้หยุดนั่นก็เพราะว่าชัานนนนาา้นดุสิตน 1, ี่200ปีหนึ่งรปี200ปีสามรปีเอ๊ะหนึ่งรปีไม่ว่าดึงหนึ่งรปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านท่านยามา200รปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านชั้นดุสิต400รปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านฉะนั้นท่าน เบสกาลีอยู่ที่ชั้นดุสิตก็คงยังไม่ถึงยี่สิบวันของสวรรค์ชั้นนั้นองเบตกาลีจะเป็นพระโสดาบันได้ดูตามอารมณ์ของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกที่พบกันว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายต้องทรงไว้ซึ่งความดี มีความเคารพในพระไตรตรนาสคมคือพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์ทุกคนจงทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่การที่พระเจ้าเทศ ค, ครั้งแรกถือใจความได้เพียงแค่นี้ท่านเทศสั้นๆแล้วก็มาฟังจบท่านเปสการีก็จับเอาไปปฏิบัติเวลาหน้าอายุ16ปี อย่าลืมใจความในการเทศวันหนึ่งไม่ลืมความตายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงทุกคนจงอย่าลืมความตายข้อที่สองจงมีความครบมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอาญาสงฆ์ข้อที่สามจงปริสิทธิปฏิบัติในศีลห้าประการให้มั่นคงยาพัดพลังสข้อ เมื่อหลังจากฟังเทศแล้วสเปสการีก็ทำได้ทุกอย่างจำแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ละเมิดศีลมีความเคารพในพระพุทธเจ้าประทรมพระอริยสงฆ์จริงนึกถึงความตายเป็นลมพ้าแม่ก็ตายไปก่อนแล้วแด้วต่อมาผ่านมาอีกสามปีปรากฏว่าท่านเปสการียุยุ19ปี ในเช้ามืดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสอบตรวจปณิสัยของสัตว์พระพุทธเจ้าจะตรวจปณิสัยของสัตว์ในทุกเช้ามืดตัวตัวว่าวันนี้จะมีใครบ้างหนอที่จะม า, มาลุมักผลหรือมีใครบ้างที่มีศรัทธาถ้าเราจะสงเคราะห์ได้ภาพเขาบุคคลนั้นจะตกในขายพยายนเขงพระองค์คือพระองค์จะเห็นเห็นด้วยรู้ชื่อรู้อาชีพรู้ดีลาในการสอนจะพูดยังไงเขาจะมีผล วันนั้นปรากฏว่าตอนในไข่พยานขององสมเด็จพระทศพลก็มีท่านเบสกาลีบอยู่ในไข่พยานสมเด็จพระจิตตมัยก็ทรงคิดว่าเด็กสาวคนนี้มาสามปีพบมาแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> อยู่ที่เมืองอาราวีแต่วันนี้พบเธอในไข่พยานยามีอะไรเกิดขึ้น เมื่อทรงพิจารณาก็ทรงทราบว่าตอนสายวันนี้เด็กสาวคนนี้จะต้องตายก็พิจารณาต่อไปว่าความตายของเธอถ้าเราไม่ช่วยเธอจะมีคติแน่นอนไหมไอ้คําว่ามีคติแน่นอนนี่หมายถึงไม่ไปไม่ไ ป, ไไปอบไรภูมิจะไปเฉพาะสะวรรค์สุโลกเท่านี้ผ่านเดียเฉพาะไปทางเดียวขึ้นไม่ลงก็ทรงทราบ ว, ว่าถ้าเราไม่ช่วยคติในการตายของเธอไม่แน่นอน ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยยังไงก็ทรงทราบว่าถ้าเราไปที่นั่นถามปัญหาเธอสี่ข้อ <c oughs> เมื่อเธอตอบถูกแล้วก็ยอมรับปตีละเธอตอบถูกเพียงแค่ข้อที่สีพอถึงข้อที่สีเธอดนเรู้วุ่โสดาปฏิผล <c oughs> <c oughs> และพระพุทธเจ้าก็ทําตามนั้นนี่เราไปฟังคืนแล้วนะเมื่อคืนนี้กรรองความว่า การปฏิบัติของเปสกาลีตอนตอน้นก็เข้มแข็งหนึ่งศีลสองมีความครบในพระไตรศนาคม <c oughs> แต่ว่ายังหย่อนในมรณานุภติเล็กน้อยพระพุทธเจ้าไปก็ไปควบไปซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจที่กระมั่นคงในมรณานุภติกรรมฐานหลังยิบจาทพระเจ้าจากไปเธอไปที่นิโรธอูก็ตายที่นั่นเขาเล่ารับ <c oughs> ตายแล้วใบชั้นดสิคืนนี้จะขอย่อนะต่อไปจากวันนี้จะขอเอาอีกเรื่องหนึ่งมาคุยกันในวเรื่องเขงเรื่องมาคืนให้ขินคิดวิจนาทราบว่าคันความเป็นบาโสดาวันมีสามข้อคือหนึ่งนึกถึงความตายไม่ประมาทข้อที่สองมีความครบในพระพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์ข้อที่สามีศีล5้าบริสุทธิ์มีแค่นี้เองนะ ถ้าพระโถดาบรรสะตะขับตุงก็มีแค่นี้ถ้าไปโกลังโกละคลือเอกาป e, ิชีก็ขึ้นไปรักษากระหมดศิษฐ์ด้วยคืนนี้ก็มาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งในเวลา15้านาทีพอ ด, ดีคือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ขอนำเรื่องพิจารณาร่างกายคืนนี้ถึงอะรหรันเรื่องดาวที่อรหันนะแต่คนที่ฟังจะเป็นอรหันหรือไม่เป็นกับเป็นข้อคนฟังใช่ไหม แด้คนที่คุยกันเหมือนกันจะเปรหันไม่เป็นเรื่องของคนคุยแต่ท้องเรื่องของท่านถึงอรหันต์ น, นั่นคือเรื่องของท่านรูปนันทาท่านรูปรคําว่ารูปนันทานี่มีสองชื่อสองรายรูปนันทาเสรีนารายเทรีนารายหนึ่งแล้วก็นางรูปนันทานารายหนึ่งอย่างนี้ประเด็นเขาว่านางรูปนันทา พระนางรูปราานันทาเป็นลูกเขาพระอาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิ์นาถกุศลมียตายพระนางมณีกาเทวีตายก็เป็นพ่อใหม่แต่คิดอยากจะต้องการให้มีความสนิกคิดเชื่อพระ พ, พุทธเจ้าให้มากก็ส่งทูตไปขอพระนานพนาและได้สู่ขอพนาสุนันทา ก็ขอได้มันแล้วแต่งงานอยู่ด้วยกันแต่ปรากฏพระรบรรลางเป็นคนสวยมากรูปบรรทารนี่สวยมากรูปบรปนทารแกมีความบันเทิงดื่นเรื่องในรูปเป็นคนสวยมากถือตัวว่าเป็นคนสวยต่อมาพระพุทธเจ้าปรเด็ดตัวที่เมืองพาราลสีพระเจ้าประเสนที่โกศลต้องการให้พระชายาไปฟังเท่ของพระเจ้าของคันดีงพระเจ้าดับเป็นพี่เป็นลูกน้องลุง แต่เพื่อนนางทราบข่าวจากคนอื่นนี่เป็นคนที่แปลกแต่กูนแต่กูลเดียวกันแต่ก็ไม่เคยฟังเทศของพระพุทธเจ้าเลยแต่คนอื่นก็เป็นพระโสดาทีทาคารนาคารหังกันมากแต่คนนี้มีความท่า น, นงในรูปถือว่าตนเป็นคนสวยแต่ถ้าว่าฟังข่าวจากคนอื่นก็ฟังเทศเขาบอกพระพุทธเจ้าสูตนินิความสวยของรูปเธอเราไม่ชอบใจ <c oughs> พระเจ้าประเสรนที่โกศลขอร้องให้ฟังเทศพนาก็ไม่ยอมต่อมาพระเจ้าประเสรนที่โกศลคือให้ชาววังสร้างเพลงขึ้นแต่งเพลงขึ้นพ น, นาเรื่องความสวยสดงันพระราษฎรญาณที่พ ร, ระเจ้าประทับเหมือนกับเสวรรค์เขาก็ร้องเพลงให้ฟังหลายวัเขาแปลกใจว่ถามพวกนั้นว่าเพลงที่นํามาร้องมันเป็นภาษาที่ไหนกันแน่เขาก็บอกว่าพระราษฎรยานเขาแม่เจ้าเท่ก็อยากจะไปดู จจอยากจะดูสวนต่อมาก็ชวนพระเจ้าวาเสในที่โกศลว่าอยากจะไปชมสวนพระเจ้าวสิสในที่โกศลก็ดีใจในสวนนั้นมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ตั้งใจย้ฟังเทศเจ้องค์สมเด็จพระบรมค ร, มเ ร, ร, มครูเมื่อไปถึงแล้วเห็นองค์สมเด็จพระปัณฑิตแจวเข่าพระนางรูปรนันทาก็ไม่ยอมเข้าใกล้นั่งอยู่ไกลสุดท้ายบริสัทธ์แต่ทว่า เวลาปรากฏว่าพระรูปรันทามีบารมีถึงพระรหันความจริงคนจะอยู่ไกลสายไกลแขนงก็ตามตีแต่นาทบารมีพระเจ้าลำน้าตของปฏิหารนั่งที่ไหนก็ตามเทตก ฟ, ฟ, ฟ, ฟังชัดหมดเวลานั้นพระเจ้าเห็นว่าพาน้องนางนั่งอยู่ไกลขนใจในรูปมากเกินไปเวลาเทตก็ไม่ทรงตาหนิในรูป ความจริงพระเจ้าเทพสด็จทำไมทรงทำนิตจพูดตามความเปจริงเขาถือว่าเป็นการทำนิก็เป็นโครงการที่แต่ในเมืม่อเห็นพระนางรูปนทาอยู่ไกลก็ทร น, นิรมิตนิรมิตหญิงสาวขึ้นคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาสูดทรงสวยกว่าพระนางรูพนันทา ม, มากยืนถวายงานพัดรระหว่างที่พระพุทธเจ้าเทเพระนางรูปนทาเห็นก็แปลกใจคิดว่า เขาลืกันว่าพระเจ้าพี่ของเรารังเกียจรูปสวยตําหนิคนมีรูปสวยแต่วันนี้ผู้หญิงสาวคนนี้มันสวยกว่าเราและยืนถวายงานพัดอยู่ที่สนแสนดงว่าพระเจ้าพี่ไม่ได้ังเกลียดความสวยของคนตอนนั้นไปมาองค์สมเด็จพระเ ท, ทเพรนฯ ท, ทราบน้ําใจของมันนางและก็ทรงเทศถึงความไม่เที่ยงของรูปเมื่อรูปมันมีความเกิดในขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเสื่อมเป็นแทมกลางมีการสายถูกใ น, นสุข พอพระพุทธเจ้าทรงเทศลารูปเริ่มเสื่อมทุกวัทุกวันรูปนั้นก็คลายตัวจากความสวยเศร้าหมองมาทีแตน้อยแต่น้อ ย, อยจากความเป็นคนสาว<ม>ก็เริ่มคลายขับหาวคนวัยกลางคนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศทิ้งคนวัยกลางคนมีลักษณะไปยังไง ร, รูปร่างนั้นเป็นไปตามนั้นก็นเป็นรูปดิรามิดพอพระพุทธเจ้าเทศทิ้งความเป็นคนแก่เปไ็ย่งไรรูปร่างนั้นก็แก่ไปด้วย ต่อไปก็ทรงเทศทนะั้งการทุกคนป่วยอยังไง ร, รูปร่างรูปลูกหญิงสาวนะั้นก็ป่วยไปด้วยในที่สุดพระพุทธเจ้าเทศที่ความตายใหญ่คนนั้นจะล้มนอตายแง่แก่อืตายยังไม่พอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าตอบหม้อจะตายแล้วต่อมาก็เวียนการขึ้นอืดชี้เขียวบ้างขึ้นอืดพองบ้างเป็นลักษณะ น, นี้รูปนั้นก็เป็นไปตามนั้น ถ้าต่อมาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าน้ำเหลืองไหลไม่น้ำเหลืองไหลก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาต่อมาแจ้งเราเทศว่าต่อไปน้ำเหลืองแห้งหมดลูกเวยแห้งหลงก็ปลากรวบผ้าพกยแห้งลวกต่อไปก็กระจยายกระจายพัดไลาขึ้นไปมีกระดูกเครียรายมัก็ผ้าก็เป็นอย่างนั้นพระนางรูปนันทไทเห็นภาพอย่างนั้นก็แปลกใจว่าหญิงสาวคนนี้ดูดีลาแล้วจริงๆจะมีอายุน้อยกว่าเรา ยืนถวายงานพระเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพี่ของเราจะได้ว่าเธอน้าสวยมากกว่าเราความจริงตัวมองพระเจ้าพี่ก็ไม่ได้ไม่รังเกตในรูปสวยแด้วป็ที่น่าแปลกว่าอายุเธอประเดี๋ยวเดียวก็ค่อยแก่ไปทีละน้อยแต่น้อยเ น, นินสุดก็ต า, ตายตายแล้วก็สลายตัวก็เราอ่ะในเมื่อเธอมีอายุน้อยกว่าเราจะมีสภาพเป็นนี้แล้วเราจะเป็นยังไง เราก็ต้องมีสภาพค่อยๆแก่ไปอย่างนี้เหมือนกันในสุกตายเหมือนกันต่อไปเธอก็คิดด้วยปัญญาว่าความเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์มันไม่มีประโยชน์ตนนัวนี้ตอนนี้ไปพระเจ้าก็ทรงเทศทั้งด้านในการเขาเวทนาญาณ <c oughs> <c oughs> ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์ทุกเกิดพระมีขันห้าคือร่างกายถ้าเราไม่สนใจในร่างกายและไม่เกานะนิมนตสโลกเทวโลกสภมโลกเราปฏิพันธ์มีความสุข จิตใจเขานำพระนางรูวันนันทาก็น้อมไปตามนั้นในที่สุดก็เป็นพระราชนี่เวลานั้นเองในเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบคนก็ลากา ต, ต่างคนต่างไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศนี้พระนางรูวนันทา น, นั่งเฉยไม่ยอมลุกจากที่ยิงข้าไปหาแล้วเตือนถือว่าเวลานี้ถึงวาระแล้วที่เราตงกลับพระราชฐานพระนางรูวันันทานก็ไม่พูดเฉย พระองค์สมเด็จพระจิตมารทรงตรัสว่ามหามหาราชขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชสมภารเวลานี้พระนางรูปัญธาเป็นพระอรหันต์จะแล้วไม่ควรจะกาลายครองเรืนอนพระองค์ต้องการให้พระนางรูปัญธามีชีวิตอยู่และต้องการให้ผ่านเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าหากว่ายัางทรงความไปเคราวาทอยู่ก็อยู่ไม่ตลอดคืนวันนั้นพอตื่นตอนเย็นวันนั้นก็ตอนน้องผ่านคืนตายเพราะร่างกายเคราะห์ว่าจะไม่สามารถจะทรงความเปรหันไม่ได้ ถ้าต้องการให้ทรงชีวิตอยู่ก็ต้องบวชเป็นพระสิริสุนีกลวงความว่าพระเจ้ามังเสนนีที่โกศงยิ้มว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่มีประโยชน์ในฐานะสามีปัญญาตาได้เห็นหน้ากันในฐานะเทอเธอเป็นพระก็ยังดีจึงขอให้มนางรพนันทาบวชพระพุทธเจ้าก็ให้เธอบวชก็เป็นพระหันองค์หนึ่งกวงความว่ตามที่เรื่องที่นํามาไล่ฟังบรรดาญาโยมพุทธบริษัทนี่ก็แสการไอมันก็ขัดคอพูดเร็วไปหน่อย ทุกคนคิดว่าเมื่อคืนที่แล้วเราพูดกันเรื่องมัะโสดาบันวันนี้เราคุยกันเรื่องพระราหารหัน <c oughs> ความเบราหันเป็นตรงไหน <c oughs> ก็จับจุดให้ดีว่าความเปราหันอยู่ที่การตัดรูปอย่างเดียว <c oughs> ย่อดนื้อความลงมานะ <c oughs> เขาถามว่าตัดกิเลสตัดตรงไหนถ้าตัดที่รูป ให้มีความรู้สึกในรูปคือร่างกายเนี่ยร่างกายมันมีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปรดัฏตาร่างกายมีแต่ความโศกโศกโศกมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันยังค่อยๆเสื่อมเป็นทุกวันแก่ก็ไปทุกวันในที่สุดก็ตายตายแล้วก็สลายตัวแต่แต่ว่านั้นเมื่อร่างกายสลายตัวไม่ทรงอยู่ความจริงร่างกายเป็นเป็นสัพว์เป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุดยริงความสมบัติใดๆ สมบัติชิ้นใดที่จีิว่าเรารักจะรักเกินร่างกายทำไม่มีแต่ว่าในที่สุดร่างกายมันก็ตายในเมื่อเรายังไม่หมดกิเลสร่างกายตายแต่เราก็ยังไม่ตายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะต้องเกิดต่อไปอีกเกิดกี่ชาติทุกชาติก็เต็มด้วยความทุกข์มีความเดือดร้อนอย่างนี้มีความแก่มีความป่วยมีการพัดพราดจักคองรักของชอบใยอย่างนี้ มีทุกขเวทนาอย่างนี้มีความตายอย่างนี้แต่แค่กิเลสยังหมดก็ยังเกิดต่อไปอีกนายที่สุดคนที่เราจะพึงคิดค่อยๆ ค, คิดกันค่อยๆทําคิดว่าอันดับแรกเราต้องยึดอารมณ์ของระโสดาบันให้ได้คนที่ยึดอารมณ์รผสดาบันได้แล้วตามวิธีปฏิบัติท่านไม่ต้องการให้เป็นพระสิทธาคามีหรืออนณาคามี ตามพระบาลีวิสุทธิมรรคจะบอกว่าบุคคลใดได้ประสูติ บ, บาวันในที่นั่งใด <c oughs> ยองทํากําลังใจถึงพระอรหันต์ในที่นั่งนั้นใ น, นหมายความว่าถึงประโสดาบาททันเก้าวทีเดียวถึงอรหันต์เลยตอาอักนี้กถอยหลังไม่ทีว่าอารมณ์สดาบันมีอะไรบ้างแล้วที่เราต้องละคืนหนึ่งสกายยทิฏฐิให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายกันแน่ ไอาการที่สองวิจิตรฉาตัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ยอมรับน้งเสือด้วยความจริงใจสามศิลปะปรามาตตัดความไม่มั่นคงในสินออกไปดีความมั่นคงในสินรักษาสินห้าประโย์แน่นอน<ม>เพียงเท่านี้ประสดาบันตอนนี้การก้าวเข้าปสู่ความบริหารก็ทำไปยังไง เขก็ไม่ต้องไปนั่งไล่เบียรกรรมฐานอย่างอื่นให้เลยไปใช้วิปัสสนาญาณตัวปลายคือมีความใช้ปัญญาพิจารณาจริงตัดอวิชชาคํว่าอวิชชาแปลว่าตัวโง่ตัดโง่ทิ้งไปคืออวิชชาเขาบอกตัดชันพะกับราคะชั้นทะความพอใจราคะความต้องการคือคำว่าสวยสดุดงามตัดความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ ตัดความพอใจในการเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรหมตัดเทวดาหรือพรหมออกทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดตำนุษยมันเต็ไมไปด้วยความทุกข์สภาพร่างกายมีสภ า, ภาพไป่เที่ยงแ น, แน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลําบากมากถ้าเป็นเทวดาได้เป็นพรหมมีความสุขจริงไม่ีความเป็นทิด มีความปรารถนาทสงหวังได้การเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรมเป็นได้ไม่นานเมื่อหมดวุฒิศาสนาบา ร, รมีต้องกลับมาทุกใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานเพียงตั้งใจกำลังใจเพื่นี้ก็รวบรวมกำลังใจ <c oughs> ยามตัดอารมณ์ภยในใจว่ากามาฉันทะเป็นโทษเป็นทุกข์เราไม่ต้องการก็คุ้นละปฏิฆาอารมณ์ไม่พอใจไปเห็นจะเกิดความเม่าร้อนเราจะไม่สร้างไม่เกิดขึ้น รูปราคะการหลงในรูปประชาชก็ดีอารูปราคะการหลงในรูปประชาชก็ดีมานะการถือตัวถือตนก็ดีอุทถ้าจะจิตฟุ้งซ่านคิดอยากไ ป, น, น, ปนู่นไปนี่ก็ตามอาวิชช า, าการลหลงไหลไ่ฝันน่นมันมุนมนมนมนมนสลิโลกเทวโลกภูมโลกก็ตามจะไม่มีในเราค่าอยคคิดเราจะตักอย่างนี้ทั้งหมดกําหนดขอจิตมีจุดเดียวคือนิพพานนี่เรียว่าทำก็อย่าละเอียดหน่อย อย่างยอก็หนึงนงนึกถึงความตายให้ส่งตัวไว้ขอรพบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นสารณะแล้วก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เจริญอุปสมานุสติกับมัฐานมีพระ น, นิพพานในอารมณ์เกินภาวนาวานิพานาสุ ข, ขังรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วภาวนาวานิพวนานสุขขังวิพวนานสุขขังอย่างนี้จนจิตชิน ถ้าจิตเป็นฌานเมื่รัยบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายและก็กระแล่งกายกระแทกเขาถึงอายุไขเมื่อนั้นเปนรหันเมื่อนั้นอารัมดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้พูดหลายเรื่องคงจําไม่ค่อยได้ตอนนี้ไปก็ไดาญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานมนรรคฐาน